10 นาทีต่อไปนี้สํานักงานให้ 80 5 ธันวาคม 2550 รวมพลังไทยพลัง ร่วมเทิดไทองค์ราชันหมอกสลายที่ปลาย ด้วยกันมีคุณภาพชีวิตที่ดีชุมชนให้เข้มแข็งมีชีวิตครอบครัว ต่อไปนี้ขอ ทลายกำแพงใจให้อภัยให้โอกาสผู้เลิกยาเสร็จติดคุณมนชีบศิวะ เพื่อนให้โอกาสเพื่อน 16 ความเดิมตอนที่แล้วดา แสงมาตามดาวหวันและดวงไป จากคณะมิตร นี่เห็นจะมีอะไรน่าตกใจที่ก็คือผมเห็นดารณีก็ไม่สบายจะมากเนี่ยนี่ไม่ต้องมาตีหน้าเดี๋ยวๆ หมอจะรีบไปไหนเดี๋ยวๆๆหลับแล้วไหนๆนะ หวังว่าคงจะไม่มีเล่ห์เหลี่ยมอะไรอีกๆเลยล่ะรีบ ไหนคะป้ายประชาสัมพันธ์ที่คุณบอกน่ะอืม คิดซะว่าเรามาร่วมมือกันทําความดีๆ เพื่อปลุกสำนึกให้ๆนี่ ขอถามอะไรสักคำได้ไหมคะถามอะไรสักคําได้มั้ยคะอ๋อ ครูเค้าพาไปไหนต่อไหนทั้งวัน หมันรู้สึกเหมือนถูกหลอกยังไงก็ไม่รู้สิ แค่ไปปักป้ายติดประกาศเท่านั้นไม่ได้ค่ะ<อ> ลูกนางเลยให้ตึงได้แล้วกำจองซ้ายป่า มันไม่อย่างนั้นน่ะสิเตียพอเคลื่อนหินไปก็ถูกยิงโซนเข้ามา ไอ้คนกำลังหลับสบายอยู่ดีเสียพี่กันจานใช่ เด็กบอกว่าอืมคนมา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 นะเราน่าจะขอลิได้สักก่อนนะคะผู้ใหญ่ โอ๊ยคุณหมอเอ่อคุณค่ะหมอมาปักป้ายแล้วก็ ทำพิดรกาสมเด็จได้ยังไงสมเด็จที่ไหนในกิมจั๊วลืม ไม่ได้มาไอ้พวกนี้กระจัวนะพี่วะไอ้พวกนี้ ก่อนที่จะไปติดตั้งหมอ <c oughs> พี่ต้องไปอ่ะ จิวยี่นอินรู้สึกยังไงกลางที่จะกระอักเด้อ จะได้เป็นการประกาศว่าบ้านเราให้ความร่วมอ่า แต่วันหนึ่งคงต้องรู้ให้ได้วันนึงคงต้อง แต่อย่าไว้ใจนะครับหมออย่าหมอพวกค้ายาก็เหมือน นี่ๆๆๆไม่ต้องทำท่าอ้าแขนประกอบคำอธิบายหรอกค่ะเห็นผมค่ะผมยิน แล้วผมช่วยแบ่งไปทําให้ก็ได้ตอนนี้ผมก็บอกกับใครๆหรือเครื่องผ้าก็เป็นวิธีที่ได้ผลอีกอย่างหนึ่งไหนน่ะ ขออาสาประชาสัมพันธ์เองอืมดีจริงเลยค่ะไม่นึกๆเลยล่ะอืมจ้ะขอบ พาวันนี้คุณหมอเลี้ยงเองนะขอบคุณค่ะแต่อ้อยทิ้งร้านมานานแล้วกันมั้ยวันไปละค่ะคุณแต่ก็มีความคิดที่ใช้ได้นะเลี้ยงเองค่ะอ้อยค่ะ บอกว่าๆปะบอกว่าวันนี้คุณหมอเลี้ยงเองนะก็แค่ก๋วยเตี๋ยวชลชามเท่า ที่ไปแวะที่บ้านตาผู้ใหญ่ก็เลยรู้ว่าคุณ ฉันว่ามันเป็นการจัดแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะได้ผลอย่างที่ตั้งใจไว้นะที่หนุ่มแมนเต็ม เรียกว่าเวทีประชาคม แคมเปญใจให้อภัยให้บริษัทไพรุ่งยูเนียนคาร์จำกัดมหาชนผู้ลึกยาเสพติดถ้าเขามี ผู้แสดงบีดังต่อไปนี้อาทรภาธิภัตนะอินทดาเกียรติศิริเปรมกมลโชติกาเศรษฐีทิระบุญญฤทธิ์วรการ และเฉลิมพลสิริประเสริฐศักดิ์ชนทานาษาควบคุมเสียงอาธรภาธิพัฒนะบินดาเกียรติศรีควบ